กัณสาด้ยชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้ก็มาฟังด้านทานบารมีต่อไปแต่ก่อนที่จะฟังอย่างอื่นอย่าลืมว่าเราหาทางปิดอวัยภูมิซะก่อนว่าผลของบาปใดๆที่ทําแล้วในการก่อนเราจะไม่ยอมรับผลคือไม่ยอมไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตติฉานอีกต่อไป ถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ใช้เวลาน้อยที่สุดแล้วก็ไปนิพพานนั่นก็คือหนึ่งมีความรู้สึกยุดเสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงคิดไว้เสมอว่าชีวิตเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้จะได้ทำความดีความดีที่จะป้องกันอบอายของผมก็คือหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระอริยสงฆ์ปฏิบัติตามท่านไม่ฝ่าฝืนและก็สองรักษาศีลตามสภาวะให้ครบถ้วนอย่าให้บกพร่องสำหรับคราวัตรมีความสำคัญที่ศีลห้าถ้าสงฆชิ้นแปดได้ก็ดีถึาแปดไม่ไหวก็ไม่เป็นไรชิ้นห้าพอและจิตใจคิดไว้เสมอว่าถ้าตายคราวนี้ การเกิดเป็นมนุษย์ปันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการอีกการเบริวดาหรือพรหมเป็นสุขทุกข์ราหมดบนวาสนาบารมีก็ต้องลงมาใหม่ <c oughs> เราไม่ต้องการอีกส่วนที่เราต้องการจริงๆนั่นคือพระนิพพานทรงกำลังความดีอย่างนี้ให้ส่งตัว เราจะไม่ถอยหลังไปสู่อบัยพุมบาปเก่าๆไม่สามารถจะให้ผลเราได้เป็นการป้องกันอันต ร, รายของตัวเองไว้ก่อนตอนนี้ไปก็มาคุยเรื่องทานบา ร, รมีอย่าลืมว่าการใช้บา ร, รมีทุกอย่างต้องใช้ปัญญานาหน้าแต่อบอกว่าปัญญาท่านเรียงไว้ข้อที่สีนั่นเป็นเรื่องของท่าน แต่เราเวลาใจะใช้จริงๆต้องใช้ปัญญานำหน้าคนไม่มีปัญญานีให้ฐานไม่ได้คราวที่แล้วพูดนั่นแล้วถนะดก็พระที่คนจะให้ทานเรื่อว่าคนที่คนจะให้ทานดูตามลําดับฟังก็จดจําไว้ด้วยแต่ลีลาภายนอกอย่ามองกันให้นักอย่าติดให้มากเกินไปเพราะของเลวนะี่ย มักจะทำสีสวยของดีก็ปล่อยธรรมดาธรรมดาอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีคุณค่าก็ได้ตัวอย่างที่เราจะเห็นอยู่ในการให้ทานอย่างสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระยศมารทรงเสด็จไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเิวโลกเนี่ยจะมาพูดเึงเรื่องสวรรค์ กบันดา ญ, ญาโยมผู้ฟังในวัดไม่มีใคร ส, สงสัยเรื่องสวรรค์พมโลกนิพพานนรกแล้วการเกิดการตายไม่ไม่ไม่สงสัยแล้วทั้งนี้พรอไรว้วะสวนใหญ่ที่นั่งรับฟังเป็นคนที่ฝึกมโนยิธิได้ดีแล้วก็สามารถพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเคยตกนรกมาเท่าไหร่คุ้มไหนบ้าง เป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสติฉานมันแล้วเป็นมนุษย์มาแล้วเคยเป็นเทวดาและพรหมมาแล้วจะยดงการพูดถึงสวรรค์เป็นที่ไม่หนักใจข้าพุคคลผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่เวลานี้ในสมัยพระองค์สมเด็จพระจินสีสถาปนชิติวัณณุกำพลศิลาอาจเวลานั้นมีเทวดาสองท่าน มาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมมรรคกนายก่อนคนอื่นทั้งหมดเว้นไว้แต่พระอินทร์พระอินทร์ท่านเป็นยับยัทนรับอุู่ก่อนถ้ามีเทวดาองค์หนึ่งมาคือท่านอินทรกทระเทพบดมันนั่งอยู่ข้างข้างข้างขาเบื้องขวาท่านอังกุระเทพบดมานั่งขาเบื้องซ้ายเทวดามากมากมายหมดตาวดิงท่านอินทกทะเทพบรนั่งตรงที่เดิม แต่ท่านอังกุละเทพบุตรต้องถอยหลังไปอยู่ท้ายบริษัทอยู่ริมนอกเพราะเป็นเทว ด, ดาที่มีบุญ น, น้อยที่สุดในดาวดิงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงถามท่านอังกุละเทพบุตรท่านทรงบรรดาให้เสียงท่านและก็เสียงเทว ด, ดาที่พูดกันได้ยินถึงคนที่คอยท่านอยู่ที่เมืองพาราณสีที่เมืองมนุษย์ คนทุกคนฟังชัดองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์ถามว่าอังกูละเมื่อสมัยเมตธาคตขึ้นมาใหม่ๆมาถึงใหม่ๆเธอนั่งใกล้ขล้างขาเครื่องซ้ายเวลานี้เทวดาทั้งหลายมากันครบถ้วนแต่ว่าเธอกบลังนั่งท้ายบริษัทเมตถ า, ถาคตอยากจะทราบว่าในสมัยที่เธอเป็นมนุษย์ เธอทำบุญอะไรไว้จึงเป็นพรรดาที่มีบุญน้อยที่สุดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเตวโลกท่านอังกุละจะได้กราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าวา่าพันตีพระกวาข้าที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าในสมัยที่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์มาก และก็เป็นสมัยนั้นเป็นต้นกับคนมีอายุยืนมากอายุถึงแปดแปดหมื่นปีจึงตายต่อมาสมัยที่ข้าพระเจ้าเป็นคนแต่เลืสองหมื่นปีจะสิ้นอายุยังได้ให้ตั้งโรงทานแปดสิบแห่งคือหนึ่งโยตวหนึ่งแห่งโรงทานนี้ให้ทานให่คนกำพร้าคนเดินทาง ทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าาหารการบริโภคภาพผลทุสบยัยของชชยตามสมควร <c oughs> แต่ว่าเวลานั้นว่างจากพระพุทธศาสนาคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเมื่อคนไร้ศีลนั้นใต้ธรรมไม่มีพระพุทธเจ้าทรงสอนบุญญาธีการที่ได้จยงน้อยเกินไปลงทุนมากสองหมืนปี ตั้งโรงทานแปดสิบแผงเลี้ยงไม่จา ก, กัดท่าบรรดาธ้าพุดบริษัทเขาคิดนะว่าเขาต้องใช้เงินมันละเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่าอายที่คนผู้รับเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ท่านผู้ให้ก็ไม่ค่อยจะบริสุทธินักเวลานั้นศีลธรรมน้อยเกินไปเป็นของถ่ารรดาของชาวโลก วัตถุทิฏฐานที่ได้มาก็เข้าใจว่าไม่ค่อยจะบริสุทธิ์ฉะนั้นเวลาตายจากความเป็นมนุษย์จไม่เกิด บ, สบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอิเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดเมื่อข้าพระเจ้ามาถึงไม่ใหม่นั่งใกล้พระโอแต่อนดีสุดก็ต้องมานั่งทายพระบุญญาธิการไม่เท่าเทวดาทั้งหลายหลังจากนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตร จึงเล้ทส่งถามท่านอินทากาเทพบุตรว่าอินทกาเมื่อตาหาคตมาถึงใหม่ๆเธอมาถึงแล้วก็นั่งตรงนี้เวลานี้เทวดามาบุมาหมดสวรรค์ชั้นดาวดึงสตทวโลกเธอก็นั่งตรงนี้ตาหาคตอยากจะทราบ ว, ว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอสร้างความดีคือบุญกุศลอะไรไว้ พึงจริงเป็นเทวดาที่มีศักดิ์าใหญ่นอกจากพระอินท์ท่านอินทรกาเทพบุตรกราบทวาในองค์สมเด็จพระสัมมาทัมมุติเจ้าว่าพันตีพระก ว, วาท่าในองค์สมเด็จพระผู้มีพระพภาคเจ้ า, จาผู้เจริญพระพุทธเยา้าข่าการที่ขพระพุทธเจ้าสมัยเป็นมนุษย์นั้นเป็นคนที่คนจนที่สุดไมากว่าว่าเป็นคนจนอยู่ในป่า ต่อมาท่านพ่อตายเหลือแต่ท่านแม่ก็มีความกระตันอยู่รู้คุณแต่แม่เลี้ยงแม่ด้วยการตัดฟืนเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนก็ไม่สนใจสนใจอย่างเดียวทำอย่างไรแม่จึงจะมีความสุขตางกำลังที่ให้ท่านได้ปังตอนนี้ก็คิดด้วยในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ว่าคนที่มีความรู้คุณยอมรับนับถือความดีของบุคคลผู้มีคุณและสนองคุณท่านนี้สมเด็จพระสัมมาทูเจ้าส่งสรรเสริญว่าเป็นคนดีตามพระบาลีว่านิมิตตังสาธรูปานังกตันยูกตเวทิตาถึงแปลว่าบุคคลใดรู้อภาระคุณที่ทนทำแล้ว และกกะทำดีสนองตอบแทนคุณท่านเราขอสรรเสริญบุคคลนั้นว่าเป็นคนดีเป็นนั้นว่ามาองค์สมเด็จพิจินสีสะดับแล้วท่านก็เล่าต่อไปไอเด็กกะถวายถวายคำตอบต่อไปว่ามาวันหนึ่งมีพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามา ก็เป็นเวลาที่พอดีมีอาหารอยู่บ้างตามฐานะก็คนจนคนป่ายามปกติไม่มีโอกาสได้ทําบุญต้นพระนานๆจะพบสักครั้งหนึ่งบางทีมีของสำหรับทําบุญคนจนนี่ก็ไม่มีพระบางครั้งพระมาก็ไม่มีของถวายก็เลยจําจใจจำเนิ่งก็อยากจะถวาย วันนั้นผลดีของในครัวพอ ม, มีอยู่บ้างพระก็มาผลดีมีโอกาสได้รัตนาพระถวายเป็นสังฆทานครั้งเดียวในชีวิตในชีวิตข้าพระเจ้าเป็นคนจนถวายขราสังฆทานครั้งเดียวแต่ก็มีความกระตัยูรู้คุณกับแม่ด้วยตายจากความเป็นคนที่ไม่เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์่านดาวดึงสทท์ิวโลก เป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่าเทวดาอื่นนอกจากพระอินทร์ในบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายฟังและ้จะต้งคิดว่าท่านอังกุละเทพบุตรทําบุญมากแต่ว่ามีอานิสงส์น้อยท่านอินทกาเทพบุตรทําบุญน้อยแต่มีอนิสงส์มากเรื่องนี้มีมากในพระพุทธศาสนาดังนั้นการบารําเพ็ญกุศลในบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายโดยทุนนาต้องเลือกเขต เลือกนาการหว่านพืชในที่ดอนเกินไปไม่มีน้ำเลี้ยงพืชก็แห้งตายการหว่านพืชในที่ลุ่มเกินไปน้ำท่วมพืชก็ตายจะต้องดูธือพื้นาที่ดีๆข้าวเรื้อเพืชจริงจะงามผลเยือกมีผลคุ้มค่าและเกินค่าเที่เราทำ อย่างทาอินทกาศที่ประมุขท่านเป็นคนจนแสนจนแต่ว่าท่านถวายสงฆทานตามขีดในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความกตัญญูรู้ทุนดวิดามันดาอันนี้เป็นปัจจัยสูงสุดฉะน้นการบำเพ็ญทานให้ทานของบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่อยากจะทราบให้ใครทานแกคนประเภทไหนมีในสงดีขนาดไหนก็ดูวันต้น เสียงนี่ก็บันทึกเสียงไว้ถ้าสงสัยแล้วก็ฟังเสียงไปเปิดเทปดูฟังดูจะทราบว่าเราจะเลือกทำบุญให้สูงสุดตามที่เราจะพึงได้ <c oughs> แต่ก็ไปที่หน้าปลื้มใจที่คณะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทและวิสุทธสมณเณรทั้งในวัดก็ดีนอกวัดก็ดี นิยมการบําเพ็ญทานอันดับสูงนั่นคือหนึ่งพอใจในการถวายสังฆทานถวายสังฆทานนี่มีของมาถวายจัดเป็นสังฆทานเป็นชุดโดยเฉพาะก็มีของน้อยก็มีของมากก็มีนี่เป็นสังฆทานในบริการนี้สองก็มีมากท่านนิยมมาเลี้ยงพระการเลี้ยงพระสงฆ์ตั้งแต่สีรูปขึ้นไปแนะไม่ต้องบอกเป็สังฆทานเป็นสังฆทานร้อยเปเ การใส่บาทหน้าบ้านโดยไม่ํำกัดพระอันนี้ก็เป็นสังฆทานอันนี้สงใหญ่มากที่สาเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องว่าการบำเพ็ญทานถวายทานแด่พระองค์เองร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายวิหารทานครั้งเขาสังฆทานครั้งหนึ่งแต่อีเรนการในสองบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพระก็ดีเนก็ดีที่นั่งอยู่ที่นี่ นิยมการช่วยส่งเสริมในการสร้างวิหารฐานถึงกับมาสร้างห้องเป็นอห้องเป็นชื่อของตัวเองให้ชื่อนำไตโชที่เราติดชื่อว่าจะได้ทราบว่าใครทำไว้บุตหลานจะได้โมทนามีส่วนบุญด้วยสร้างพระพุทธ ร, รูปสวยสดทุกงามก็จองกัาไว้ถึงสามรอยอ ทางวัดก็ยังไม่มีที่ให้กำลังจะสร้างที่พศ 2,527 ส่วนที่เหลือจะได้ทาเวลา28องค์ปีพศ 2,528 ก็พยายามจะทำให้ครบจะครบแล้วไม่ครบก็ไม่แน่สุดแลแต่ช่างช่างเขาก็เรี้งรัด <c oughs> แต่ว่าต้องสร้างอาคารก่อนอันนี้ก็อยากจะบอกบุญว่าอาคารสำหรับพระพุทธรูปยังไม่มีใครบริจาคทรัพย์ หลังหนึ่งก็ราคาประมาณ 30, สามหมืนเศษเศษไม่เกินสี่หมื่นหากว่าจะบริจาคทรัพย์ศัก3 0 0 0าหมืนก็ทำได้อาคารสถารับพระพุทธรูปนะก็เป็นอาคารคล้ายคลึงกับที่ท่านเห็นที่วัดนั่นแหละรวมความประการบริจาคทานของบรรดาท่านพุทธบริษัททำถูกต้องอย่างนี้มีอนิสงมาก นี่แะพูดกันเรืาสาการถวายฐานว่าเขตคนถวายมันมีเยอะแต่ว่าถ้าพระก็ดูให้มากถ้าพูดไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าเราไม่ให้เลยดีกว่าท้งนี้เพราะอะไรพวกเราเป็นสา ว, วกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ทางที่ดีบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ อาตีตังสียานท่านได้แล้วอ น, นาคาตังสยานก็ทําได้แล้วปุเพนิวาสานติยาณก็ทําได้แล้วจุตูปปาติยาณก็ทำได้แล้ ว, ว, ว, าาล ว, ลวมโนยทิก็ทําได้ <c oughs> ท่านก็จะใช้อ น, นาคาตังสียานทูลถามเลยว่าพระองค์นี้ที่เราจะทําบุญด้วย เป็นพระที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องขนาดไหนบริสุทธิ์ขั้นศีลหรือว่ามีจิตเป็นเป็นฌานสมาบัติหรือเป็นพระอริยเจ้าขัณฑไหนถ้าเราหายความบริสุทธิ์จริงๆไม่ได้ก็จงอย่าถวายทานเป็นส่วนบุคคลถวายเป็นสังฆทานไปเลยสังฆทานของเรามวียริสงสมบูรณ์แบบ าว่าที่ท่านกินท่านใช้ของเราทั้งกันลงเอเวจีมานรกไปเองเราพิสูจน์ได้อา น, นาคตต่างพยานเห็นหน้าคนที่ยังไม่ตายจะต้องการถามทราบว่าความดีหรือความชั่วที่จะมีในขณะนี้ท่านมีดีเท่านี้เราทำบุญกับท่านจะมีผลที่ไหน หรือว่าเวลานี้ถ้ามีความประพฤติข้างหน้าเราเห็นว่าท่านมาดีแต่ว่ารับหลังเราไม่ทราบก็อยากจะทราบว่าพระองค์นี้ถ้าตายจากความเป็นมนุษย์จะไปอยู่ที่ไหนถ้าทราบว่าท่านไปอยู่อวัยภูมิไปให้เกิดใครสหน่อยก็จะดีไม่ต้องเกรงใจกันถ้าเคืองสนับสนุนก็เป็นการสนับสนุนโจรผู้ทําลายพระพุทธศาสนา การทำลายพุทธศาสนาเป็นการทำลายชาติไปในตัวด้วยพระพุทธเจ้าเทศว่าอย่างนี้คนนั้นหลายยอมรับนับถือตามคำสอ่งสอนเขาสมเด็จประสมมาถ้าพุทธเจ้าแต่พูกนั้นพูดเป็นคนทางอีนี้คนที่มีความยอมรับนับถือคนพวกนั้นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดแตกราวกับคนที่เป็นสมมาทิฏฐิคนไทยทั้งชาติจะแบ่งเป็นสองพวก จะเกิดระไ ส, สัมสนสายเพรที่สุดก็อย่าตีกันเองเมื่อเราตีกันเองยับเยินทำไงฆ่าศีกเมยึดประเทศแบบสบายๆพระพุทธศาสนาก็สลายตัวไปเราทั้งหลายที่นั่งคุยเก็นอยู่ที่นี่ไม่มีใครมีความสุขดีไม่ดีเขาก็มาได้เราอาจจะตายไปเลยฉะนั้นจงอย่าเลี้ยงโจรผู้ทำลายความสุขของพวกเราอย่าเลี้ยงโจรผําลายความดีของชาติ อย่าเลี้ยงโจรผู้ทำลายพระศาสนาให้ย่อยยับให้เสื่อมสูญ <c oughs> ต่อไปก็มาพูดถึงเล่าสนะการจะให้ทานแต่ทานบารมีนี้ต้องมีคุณธรรมหลายอย่างอันดับแรกเราต้องมีปรรัญญาปัญญาต้องมีแน่คนไม่มีปัญญาไม่ทานอย่างนั่งท่านที่นั่งอยู่นี่ทุกคนก็เป็นคนไม่มีปรรัญญา ถ้าไม่มีปัญญาเห็นว่าการทำบุญกุศลในพุทธศาสนาดีทุกคนก็ไม่มานั่งที่นี่ <c oughs> การมาที่นี่ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาการ ง, งานผลประโยชน์ที่พึ่งได้ทางบ้านต้องสูญเสียไปพร <c oughs> <c oughs> เราที่งานมามาก็ต้องเสียค่ารถเสียค่าเรือเสียค่าพานะ ที่มีรถมาเองอยู่เสียแพงใหญ่แล้วมาที่วัดก็ยังต้องเสียเงินเสียส่วนไหนอาหารการบริโภคบางวันวัดก็เลี้ยงบางวันวัดก็มาได้เลี้ยงอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์สามวันี้มาเท่าไรวัดก็เลี้ยงหมดแต่นอกจากนั้นทุกคนต้องเลี้ยงตัวเองเว้นไปแต่วันสําคัญก็เป็นศาสนาที่มีขึ้นอันนี้วัดเลี้ยง พยายามปกติวัดจะเลี้ยงเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์สามวันทุกคนมาสามวันไม่ต้องเสียค่าอาหารแต่ว่าค่าบุหรี่กาแฟต้องเสีย่าเลี้ยงเฉพาะอาหารอาหารประเภทกันเองคือข้าวรร่แกงดีคุยให้ญาติโยมรู้ไว้ด้วยตอนนี้มาพูดกันลักษณะการให้ทาน คนที่จะให้ทานได้ต้องมีอารมณ์ประจำใจอะไรบ้างบางทีญาติโยมและท่านที่นั่งที่นี่ไม่ทราบมีอยู่ในตัวแต่ไม่รู้จักที่เป็นของธรรมดา <c oughs> คนที่ใ่ยทานก็หนึ่งความดีประจำใจในขณนะนั้นคือเปพนผูดทรงพรหมิหารสี ยับอกว่าฉันทรงไม่ได้ฉันโกรธคนก็เป็นนั่นมันมีเวลาโกรธแต่ว่าเวลาให้ทานนะไม่ได้โกรธเห็นหน้าคนพับคนที่เราจะให้ทานมีอยู่สองประเภทคือหนึ่งคนที่เราเคยรักสองคนที่เราสงสารถ้าไปเจอคนที่เราเกลียดเป็นศัตรูกับเราไม่มีใครให้ทาน ก็ต้องมีใจิตใจเราต้องมีเพราะเะไไม่ใช่พระอรหร <c oughs> ันต์แต่คนที่ไม่เคยรู้จักหน้ากันแต่เราไม่เคยรักแต่เราสงสารเห็นก็โอดเจตตายจะเป็นลมตายเปิงไข่ชักเงีนึเงียบสงสารก็ให้ตามมีําเกิดนี่เป็นว่าก่อนที่จะให้ฐานอารมณ์ที่มาที่แรกคือหนึ่งรักถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักสงสาร เมื่อให้ทานไปแล้วเขามีกินมีใช้ต่างกำลังที่เราให้เราก็ไม่เคยนึกอิจฉาที่สิยาเขาว่าเขามีการกินหนีพีมันเดินได้มีกำลังแม้มันทำลายทรัพย์สินของเรานี่เราไม่เคยชิดเราก็ดีใจว่าเขานั่งหิวจะตายกินข้าวกับไปหน่อยเดียวที่เราให้กลับข้าวก็ไม่อร่อย เขายิ้มแย้มจ่มใสมีแรงกระพี่กระเป๋านี่เราสดชื่นตัวนี้เป็นพร ม, มิหารสี่ข้อที่สามที่เรียกว่าโมทุตาแล้วต่อมาเมื่อเขามีแรงมีกายงานเข้าไปจากที่นั่นไปแล้วเขาไม่มาหาเราใหม่เราก็เฉยเฉยไม่คิดว่าคนนี้อากตันยูไม่รู้คุณคนแล้วถือว่าเราให้เพื่อเป็นการตัด ก, กิเลสคือโลพระในจิต นี่ลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิตก่อนที่ให้ทานเขามันมีอารมณ์อย่างนี้ประจําใจคือในขณะที่ให้ทานะมีแน่บางคนบอกไม่ได้ฉันเป็นคนขี้มโมโหโทโสแต่ว่าอย่าลืมนะเวลาให้ทานเราไม่ได้มโมโหโทโสจิตใจเราสงัดเมื่ออารมณ์เรียบนี่อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งของการให้ทานแล้วก็ประการที่สองคุณความดี ที่เราจะให้ทานนั้นก็ยังมีอีกตัวนี้ก็ได้ยกจากคานุสติกรรมฐานเราก็ไม่มีทั้งแตลอดวันถ้าบางขณะเรามีบางทีเรานั่งนั่งอยู่เห็นคนเขาอดอยากมีความยากจนคนแค้นเลี้ยงตัวไม่ไหวใจเราอาจจะคิดวันแหมอยากจะให้ทานแต่บางทีอยากจะให้ใจใจขาดแต่ของมันไม่มี กำลังร่างกายก็ไม่มีประโยชน์ที่จะช่วยเขาได้แต่จใจคิดว่าถ้ามีนีเราจะให้จริงๆอารมณ์คิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าจาขานุสติกรรมฐ า, านจิตคิดจะบริจาคอยู่เสมอนี่เป็นความดีของบุคคลที่ให้ทานจัดว่าเป็นกรรมฐานไปจําใจเป็นการตัดโลภะ ค, ความโลภอยู่ในใจแต่นอกจากนั้นไซผู้ให้ทานได้มีอารมณ์เป็นสันโดษในเวลานั้น คือให้ทานแล้วไม่อยากจแกะแลกเอาทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่น้อยๆอาจจะเป็นทองคำแหวนเพชรอะไรตามคนจนเอามาแลกกับทานของเราแล้วไม่ได้เคยคิดคิดอย่างเดียวเราให้เป็นการสงเคราะห์อันนี้เป็นอารมณ์สันโดษเป็นความดีจุดหนึ่งอร บ, บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเลือเพื่อนพิสุสมนเนรผู้รับฟังทัานาณบอกกดเวลาหมดเสแล้วนี่ครับ มันสิ้นเวลามาทั้นวมสการพระโดยกว่าสามสิบนาทีก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์นงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี